วันนี้เป็นวันที่สิบนะครับเราได้เก็บค่ายเจริสติมาก็ครบอาทิตย์กรฟ้านะฮะเราเริ่มวันที่หนึ่งบงคนก็เริ่มวันที่สองก็เริ่มวันที่สามแล้วก็จับช่วงนี้ตามที่เราต้องการบริหารจัดการเวลาช่วงละสิบวันสิบวันนะวันนี้เลยต้อง บริหารสถานที่ที่เราจะไปภาวนาในอีกส่วนหนึ่งคือจิตของเราเนี่ยไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบการซ้ำซากอะไรที่มันซ้ำซากอยู่กับที่นานๆสิ่งนั้นมันก็จะไม่มีการพัฒนาแบบต้นไม้ถ้ามันเอาไปปลูกแล้วมันไม่โตมันซ้ำอยู่กับที่มันก็แคล์แกนหรือก็ตายไป แต่ถ้ามันโตขึ้นมันก็จะเป็นต้นเป็นดอกเป็นใบเป็นกิง่งเป็นก้างเป็นผลเวียนไปตามวัฏจักรของมันสิตเราก็เป็นธรรมชาติหนึง่งกายเราก็เป็นธรรมชาติหนึ่งที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของมันแต่ถ้าหากว่าเราจัดการเปลี่ยนแปลงมันด้วยหลักของไตรสิกขาคือประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญา การเปลี่ยนแปลงนั้นก็เปลี่ยนไปตามที่เราต้องการแต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของไตรลักษณ์อันนี้จังทุกครั้งหน้าตามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของมันวินกฎของมันนะนี่เดียวเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็ต้องมสร้างตัวเงื่อนไขที่จะเปลี่ยนแปลงไตรลักษณ์ให้เป็นไตรสิขาได้อย่างไรนะก็โดยที่พระุทธเจ้งคนพบคือพบหลักของ สติปานสูตรพบหลักของอริยมรรคที่ได้สวดไปตอนเช้าแล้วก็โชคดีตรงที่ว่าเรามาเกิดในทันในยุคของหลวงพ่อเทียนได้ให้วิธีการพัฒนาที่มีความเข้มแข็งและรวดเร็วขึ้นมีการเมื่อก่อนต้นไม้ผักต้นไม้ในเมื่อเรายัง ไม่พัฒนาสมัยที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราก็ปลูกไปตามธรรมชาติได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างผักผลไม้บางอย่างก็เป็นผักผลไม้แบบป่าๆ ไ, ไม่มีการพัฒนาพันุ์หรือว่ามีการพัฒนาพันธุกรรมของพืชประเภทนั้นมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบธรรมชาติแต่พอลูกมันจเจริญด้วยวัด ถโดยวิทยาศาสตร์พืชพันธยาหารต่างๆก็ได้รับการพัฒนาต่อยอดนะมีการพัฒนาเรื่องปุ๋ยเรื่องการตัดต่อพันธุกรรมเรื่องอะไรต่างๆขึ้นมาจนผลไม้พืชผักผลไม้ต่างๆมีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันซึ่งเราก็ได้เสพสวยในผลอันนั้นฉันไดก็ดีที่พ่อแม่ปุญาติยายของเราได้พัฒนากมฐานมาระดับหนึ่ง ก็แบบโบราณธรรมชาตินี่นะเมื่อหลวงพ่อเทียนเกิดขึ้นหลวงพ่อพุทธทาสเกิดขึ้นหลวงพ่อชายเกิดขึ้นทั้งสามท่านนี้ก็ได้เหมือนนักวิทยาศาสตร์ทางด้านธรรมามามีการพัฒนาเรื่องปุย๋ยเรื่องน้ำเรื่องดินมีการตัดต่อพันธุ ก, กรรมทางนมธรรมขึ้นทําให้กรรมาฐานเจริญเติบโตไปทั่วทั่วโลกที่เดียวก็ว่าได้นะเราทั้งหลายก็มีโอกาสได้มา สัมผัสผลนอันนี้ล้วก็ได้ลงมือทำด้วยตนเองเรียวกว่าพุทธเกษตรได้พัฒนาประตำลาดับซึ่งผู้อยากจะให้สวดคาถาพุทธเกษตรได้สัําไปซึ่งคาถานี้ไพเราะมากนะอาจารย์พงขอมื้สือเร่วหนี้งนะนั้นในคาถาพุทธเกษตรนี้ต้องการให้ตนัด รู้เพราะว่าอันเป็นอะไรบางอย่างที่บอกให้เราหาพุทธเกษตรนี่มันจะอยู่ในนะก่อนที่จะถึงอนุทนาเนา้อเจสิ 2, 170, 3, บสองร้อยเจ็ดสิบสามประเภทนั้นฮะร้อยเจ็ดสิบนะ ซึ่งเป็นคาถาที่ผมอยากจะนำมาเสนออยากให้ท่านเอาไปท่องให้จำเลยนะผมก็จำได้บ้างแต่ว่ายังไม่แม่นยำนะหลังร้เท่าไรกันแน่เจสี่เนาะหลังโคจะมีสูตรนะ พ, พี่ชะมงคลคาถาพุทธเกษตร ผมอ่านเยยอนะครับว่าพระผู้มีภาคขอขอบน้อมพระผู้มีพรเจ้าพระองค์นั้นผู้เสด็จนิพพานดีแล้วยังมีพระคุณคงที่มีพระธรรมงอกงามโดยชอบทำแล้วเพราะการสืบต่อแห่งพระสาวกทั้งหลายพระธรรมงอกงามโดยชอบธทำนะเพราะการสืบต่อสาวกนด้วยเดชแห่งพระบารมีของพระผู้มีภาคเจ้านั้น พระธรรมมีอมตะเป็นผลนะพระธรรมที่เราปฏิบัติมีอมตะเป็นผลย่อมเจริญในโลกแม้ท่ามกลางความแผดเผาแห่งกิเลสตามฐานะเนะเราทั้งหลายอภิวาทบูชาแล้วซึ่งพระภู้มีพาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสาวกนั้นชื่อว่าหวานพืชคือบุญทั้งหลายในพระรัฏนาไตรอันเป็นเนื้อนาบุญอันดีนะ พืชคือบุญนั้นเป็นเครื่องอยังยานของเราทั้งหลายให้สําเร็จด้วยยังความสุขในโลกให้สิน้นอย่างความทุกข์ให้ในโลกให้สิ้นด้วยยังความหลีกออกจากทุกข์โดยชอบให้สําเร็จด้วยอันนี้คือผลนะครับคําสัตย์อันพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดเป็นอคทีในโลกได้ตรัสไว้แล้วว่าตรงนี้สําคัญนะครับ ตัดไว้ว่าศรัทธาของเราเป็นพืชความเพียรเป็นฝนปัญญาเป็นแอกและขันถ่ฮิริเป็นงอนไถใจเป็นเชือกสติเป็นผานและประตักการคุ้มครองกายวาจาการรู้ประมาณในอาหารการมีสัจจะเป็นเครื่องตัดใจช่วยให้เลือกได้เด็ดขาดวิิยาของเราเป็นหน้าที่การงานนำให้ถึงพระนิพพาน อันเปนแดนกเกษมจากโยคะไปอย่างไม่เลี้ยวกับไปถึงที่แล้วไม่เศร้าสกุการทำนาใครทำได้อย่างนี้ย่อมมีอมะตะเป็นผลบุคคลทำนาอย่างนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้นะครับที่น่าสนใจก็คือศรัทธ า, <c oughs> าของเราเป็นพืชนะฮะวุฒิปัญญาเมยุขนงขังครังความเพียรเป็นผล นะปัญญาเป็นแอกและขันถ่ยฮิริอีสามโนยศตังสติมีภารปลายจนันหนสติเป็นงอนไทยใจเป็นเชือกสติเป็นผานและประตะักการคุ้มของกายวาจาการรู้ประมาณในอาหารการมีสัจจะเป็นเครื่องตัดใจช่วยให้เลือกได้เด็ดขาดทำไมท่านทุ่งเอ่ยถึงว่าเรื่องการรู้ประมาณในอาหารนี่ยแทบจะกล่าวไว้ทุกที่เลยนะในวัดปฏิโมก ก็กล่าวเอาไว้แล้วก็ในอาชีวปริสุท ธ, ธิ์ที่ศีลก็กล่าวไว้ในการพิจารณาปัจจัยสีการสํารวมพิจารณาปัจจัยสีก็กล่าวเอาไว้นะซึ่งนั่นแสดงว่าเรื่องรู้ว่ามาุษใ น, ในอาหารในรเรื่องสําคัญครับผมทดสอบมาตลอดแต่สิ่งที่เป็นตัวทําให้ไม่สามารถจะหาความพอดีในเรื่องอาหารได้คือความอยาก นะคือความอยากความคือมันมีสองตัวเป็นตัวแปรคือความอยากทางกายเรียกว่าความหิวความอยากทางจิตอ่ะเรียกว่าความหิวทางจิตเรียกว่าความอยากความหิวทางกายเรียกว่าความหิวนะคือความอยากความหิวเนี่ยเราไม่สามารถที่จะวัดได้ว่าตัวไหนเป็นความอยากตัวไหนเป็นความหิวพอเป็นเรื่องหิวเรากลัวว่าจะทําให้ร่างกาย ไม่สบายแต่เราแยกไม่ออกชัดเจนว่าเอตอนไหนเราหิวตอนไหนเราอยากตรงนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากนะซึ่งในตัวของเราใมีอวัยวะสองส่วนที่มีภาาัยสระรุนแรงคือลิ้นกับอวาัยวาะเพศซึ่งมีความ อ, อยากที่รุนแรงเช่นเราความหิวต้องการอาหารกับการไปถ่าย นะเพราะนั้นการมีความกำหนัดและการปลดเปลื้องกำหนัดเนี่ยมันลักษณะคล้ายๆกันอายวะเดียวกันซึ่งเป็นธรรมชาติที่ธรรมชาติให้มาเพื่อการไหลเวียนของอขับของเสียแล้วก็ปล่อยพลังเพื่อการเติบโตของร่างกายและจิตใจถ้าเราสามารถหาความพอดีได้ในลักษณะทั้งสองอย่างคือทั้งความอยากและความหิว เราจะเข้าถึงสภาวะธรรมได้โดยไม่ยากเลยนะแต่เนื่องจากว่าเราขาดอะไรขาดถึงว่าศรัทธาที่เป็นพืชความเพียรเป็นฝนปัญญาเป็นประดักเป็นแอกและขันถยหมายความว่าเรามีศรัทธาในเรื่องเนี้ยเริ่มเรามีเริ่มมีเม็ดมเมล็ดพืชแล้วก็คือสารธาตุธาของเราเนี่ยเป็นมเมล็ดพืชพอลงมือปับ๊บฝนตกลงมาระหว่านมเมล็ดพืชลงไป ฝนตกลงมาแต่พระสงฆ์ท่านบอกเป็นเนื้อนาบุญพระสงฆ์ที่พระพฤตธดิปฏิบัติชอบคือกิริยะาณมิตเนี่ยที่พาเรามาปฏิบัติเนี่ยตรงนี้เป็นเนื้อนาบุญของเรานะครับผมอาจจะมีหลว ง, งพ่อนั้นหลวงพ่อนี้หลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อบุญธรรมหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อพุทธธาตุหลวงพ่อชาหลวงพ่ออะไรก็แต่ที่ผมได้ศึกษาเรียนรู้ท่านเหล่านี้เป็นเนื้อนาบุญของผมผมมีศรัทธาผมก็เลยเมีศรัทธาแล้วเอาพืช มึงไปแล้วก็ลงมือทําเนี่ยเราฝนตกแล้วตอนที่เรามึงลงมือทํานี่นะฝนตกแต่ขณะเดียวกันพอฝนตกมาเราต้องการแอกและไถสําหรับที่จะพลิกฟื้นผืนดินลงใช่ไหมก็ต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็เหมือนว่าเราไม่มีมแอกไม่มีไถก็ไม่สําเร็จฮีริเป็นงอนไถงอนไถเนี่ยอะไรจันพงศ์งอนไถ ท, ที่ที่เราจับใช่ไหม มือที่จับเรียกดงงอนไถใช่ไหมเราลองบังคับตัวนี้นะจะไถไปลอบังคับตัวนี้อตัวนี้ฮิลิโอตาปคอยบังคับจิตเนี่ยแล้วมีใจเป็นเชือกตัวรู้ของเราในเหมือนเชือกที่จะบังคับบังคับพลายหรือบังคับนั้นแต่นี้่องไถเข้าไปบังคับตรงไหนบังคับวงเวรอะไรนะวงเงรอะไรเหมือนเชือกเหมือนเถอะ อฮิริเป็นงอนไถใจเป็นเชือกสติเป็นผานลับประดักใช่ไหมสติเป็นตัวผานไถ่เนอะลับประดักตัวไหนอะผานลับประักประดักก็คือตัวอาที่มันออกมาจากแม่หลงตัวตัวที่มันออกมาข้างข้างเรียกประดักไงครับประดักแต่ว่าในภาษากลางนี่ประดักมันมันถึงไม้เชือกที่เขียอนไม่แต่โพที่เขียนควายนะที่บังคับหัวควายให้มันมันไปอ่ะ มันถยไปไทยมามันขี้เกียจใช่ไมเรียกประตักเออเรียกว่าตักกันทางภาคกลางนะแต่ภาคอีสานเขาเรียกประตักหมายถึงมันมันมีมันมีมันมีมอไทยแล้วก็ใช่ไหมอตัวล็อกที่จะดึงใช่ไตัวที่ถมันออกอ๋อไอตัวนั้นตัวประตักมันนะแ่ตัวนี้เข้าเข้าลึกหรือไม่ลึกยะมันจะอยู่วนั้นไอตัวประตักตัวนี้เนี่ยปั้นขึ้นมาอ๋อครับ อาจารย์เห็นภาพอาจารย์พวงภาพไปเห็นภาพชัดเลยนะแต่ตัวปัตตักพักกลางหมถึงไม้ปัตตักที่บังคับบัวควายให้มันไปตามที่นันนะอันนี้มีสองคหมายนะครับพิริเป็นเงื้ไทยใ่เป็นเชือกสติเป็นผานอ๋อผานกัปัตตักมันทางานร่วมกันเนาะเพราะว่าเราจะตั้งเาเรียกว่าตั้งกลมกลมทางฝ่ายซ้ายทางเหนือเรื่องหัวหมูนะใช่ไหมหัวหมูมันข้างล่างครับข้างล่างนะเข้าผานใส่ผานใส่เราปัตตักอะ ประตักก็อีตัวอยู่บนอะ่ะตัวอยู่บนที่ตา้านจะเอาจะให้ขี้ไถ่มันออกมากแล้วก็กระกแทงเข้าม า, าหใหออกแบบนี้เวลาจะให้มันลึกก็เราก็ตั้งขึ้นมา <c oughs> อันนี้ชาวนา <c oughs> เดี๋ยวนี้นึกภาพไม่ออกเราคนสมัยใหม่นะว่าประตักกระผานเปน็นยังไงนะแล้วก็ต่อมาการคุ้มครองกาย <c oughs> วาจาคุ้มครองกายวาจานี่ตัวนี้เป็นศีล น, นะฮะเป็นศีลส่ว น, นใหญ่เรา เราไม่ค่อยคลุ้มครองนะคือหมายความว่าตลอดทั้งการนุ่งกันห่มการถือการพูดโดยเฉพาะการพูดเนี่ยก็เราก็จะไม่รู้หนักรู้เบารู้จําเป็นไม่จําเป็นอันนี้อย่างหนึ่งถ้าเราคุ้มครองได้นะครับตัวนี้จะช่วยได้เยอะในช่วงสิบวันช่วงต่อไปนี้แ่ละอาจจะมีการปิดวาจาเป็นบางวันนะครับเพื่อทดสอบตรงนี้ก็รู้ประมาณ ในอาหารสิบวันนี้ทดสอบมาแล้วพอจะแยกออกได้ไหมระหวังความหิวกับความอยากว่าขนาดไหนที่จะไม่หิวเกินไปขนาดไหนที่จะรู้สึกไม่เกินถ้าเกินก็ง่วงได้ตลอดช่วงบ่ายที่เรามีปัญหาเรื่องง่วงบางคนก็แก้ได้ถ้าง่วงให้รู้ว่าอาหารส่วนหนึ่งมาจะอาหารเกินนะครับอเวลาหิวนี่ง่วงไหมไม่ง่วงมีง่วงนะเมื่อวา น, ะวน แม่นี่เขากินมื้อเดียวนะเขากินเฉพาะเขาไม่ทานเช้าชาวเวียดนามเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าไปเห็นเพื่อนผมรู้สึกหิวไปเห็นเพื่อนกินผมรู้สึกหิวมาถามว่าความหิวนี่เป็นเพราะมันเกิดขึ้นแล้วเพราะใจมันไปเห็นเพื่อน ถ, ถ้าคุณไ ม, ไม่เห็นเพื่อนทานเนี่ยคุณจะรู้สึกหิวไหม mm hmm. นี่แลละบางทีความหิวก็ให้เกิดความความอยากก็ให้เกิดความหิวความหิวก็ให้เกิดความอยาก มันยากตัวนี้ยพอเราไม่คุ้มครองกายถ้าแกไม่ไปเหลวไปเห็นเพื่อนกินนะแแกก็ไม่รู้สึกหิวใช่ไหมอันนี้การคุ้มครองกายกับเรื่องอาหารเน่มีความสัมพันธ์กันการมีสัจจะเป็นเครื่องตัดใจคือเราตั้งใจว่ายอย่างไรก็ต้องทำมนะัน เรื่องสําคัญถ้าไม่มีไม่มีสัจจะเนี่ยเราก็ไม่มีอธิษฐานจิตน่ยนะอย่างพระพุทธเจ้านี่ว่าถ้าไม่มีท่านไม่ไปถือเอาถาดไปข้างไว้น้ําในดินะาท่านมาอธิษฐานจิตตอนนั้นไม่แน่ว่าเราจะมีพระพุทธเจ้าให้เห็นหรือเปล่านะแต่เพาะอธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยให้จิตไหลไปตามอารมณ์แต่ข้าพเจ้าจะทวนกระแสจิตตลอดแต่ด้วยลักษณะนี้เป็นปรมัตารย์นึกภาพไม่ออกท่านก็เลยสร้าง บุคลาธิฐานขึ้นมาว่าเจ้าชายศิตตะได้รับข้ามรุปายาตจากนางสุชาดานางสุชาดาเพื่อเมื่อก่อนหน้านั้นได้อธิษฐานว่าจะขอบุตรจากต้นไม้ต้นนี้เมื่อได้บุตรชายตามปรารถนาแล้วก็จึงได้ทำข้ามรุปายาตไปบวงสวงเทวดาพอไปพบเทวดาตัวหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นโพก็ดีใจว่าได้พบเจวดาตัวจริงแล้วน้อมถวายึงถาถึงข้ามทุปาญาตใช่ไม แต่ควจริงไอ้เจ้าชายสีทธิ์ถาเราเป็นนั่งบำเป็นอยู่ที่นั่นไม่ใช่เทวดาที่ไหนแต่คิดว่าเทวดาตัวจริงเกิดศรัทธาเป็นอันมากเลยถาวายทั้งถาดทั้งที่ถาเป็นทองคํำนะทีนี้ท่านเป็นนักบวชท่านหานเสร็จแล้วจ ะ, ะเก็บถาทองคําไว้ก็ไม่ได้จะให้นางคืนไปนางก็ไม่รับคืนในที่สุดท่านบอ ก, กเอาไปที่ฐานว่าถ้าขา้าวิเจ้าจะตัดกิเลสได้ใครกิเลสขาดขอให้ถาใบนี้จงทนกระแสขึ้นไป แต่ถ้าหากข้าพเจ้าไม่สามารถตัดกิเลสได้ใครกิเลสขาดคอยถาดใบนี้คอยลอยตามน้ําไปและอธิษฐานระ ว, วางลงไปก็ปรากว่าถาดใบนั้นไหลทวนกระแสขึ้นไปเหนือน้ําแล้วก็จมลงแถมว่ามีไปถูกหัวกะลานาคด้วยเนะ่ย <c oughs> ต้องมีอะไรติดตามมาอืมนั่นคือปุคลาอธิษฐานแต่เรื่องนี้จะมีจริงไม่จริงไม่รู้แต่ท่านบอกว่านั้นคือการอธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้านั่งอยู่ตรงนี้ อะไรเกิดขึ้นก็ตามที่จิตมันพาคิดมาจะพาไหลไปเนี่ยพระเจ้าจะไม่ตามมันไปแต่ข้าพเจ้าจะทวนกระแสคือไม่ทําตามที่จิตต้องการนี่คืออธิษฐานจิตถ้าสิ่งไหนก็ตามที่จิตต้องการจะทําถ้าไม่สมเหตุสมผลไม่เป็นไปว่าให้เกิดสติปัญญาข้าพเจ้าจะไม่ทําตามไม่เกิดศีลสมาธิปัญญาข้าพเจ้าจะไม่ทำตามจิตดวงนั้นแต่จิตดวงใดที่เกิดดํำลิขึ้นมาแล้วทําให้เกิดศีลสมาธิปัญญาข้าพเจ้าจะทํา เรียกว่าทวนกระแสนี่เป็นการอธิษฐานจิตแบบนี้นะครับแต่เรื่องอธิษฐานว่าจะได้ถาดไปลอยน้ำทิง้งด้วนี่ใช่จิตหรือเปล่าถาดคือคติฐานทองคำมือคนต้องมีธาตุแท้ครับจิตต้องมีธาตุแท้ถึงจะอธิษฐานกิดขาดอย่งั้นได้ถ้าคนจิตหละแหละเลีเ้ยวไหลเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้อธิษฐานจิ ต, ตไม่สาเร็จครับจิตตัวนั้นคือถาดทองคเขาถาดทองคาที่ไหลอะเขาทาไมไม่เอาถาดธรรมดาทาไมต้องถาดทองคา หมายควา่าคนจะประสบผลสําเร็จเร้ต้องคนมีจิตที่จริงจั ง, จงตั้งใจเด็ดขาดกับตัวเองนะเราไม่ใช่ว่าตั้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวนะฮะอันนี้จิตของเรามันก็จะไม่มีพลังไม่มีความเข้มแข็ง ท, ท่านถึงใช้คาว่าจิตทองอ่าเป็นทองคําไม่ใช่สมองทองคําหรือมสมองเพชรอย่างที่เขาใช้กันในการขายนะเอาจิตเป็นทองคําำธาตุแท้เรามีธาตุแท้ของเรา หมายควาว่าทำเวลาทําด็ดขาดตั้งใจว่าวันสามชั่วโมงนี่จะเดินนั่งสลับกันไม่ไปไหนเลยพอไปสักครึ่งชั่วโมงเขือแบบออกไปแล้วนะมันไม่ได้ขาดพราลืมลืมสติตั้งใจว่าวันนี้จะปฏิบัติได้สักสิบชั่วโมงพอได้สมชั่วโมงโอ้แค่นี้พอแล้วพะพุทธเจ้าท่านบอกว่าเอาตามมัชฌิมาปฏิบาาัตเดี๋ยวไม่สุดตรงไปคิดเลยจะหาเหตุผลมาเลยทีเนี้ยก็ยอมมาล้วทีเนี้ย แค่เหตุผลของกิเลสแล้วเหตุผลมันก็น่าฟังใช่เลยนะโอ๊ยสิบชั่วโมงนี้ไม่ได้มันเป็นสุดโต่งไปถ้าพระพุทธเจ้าบอกให้ละความสุดโต่งให้หาความพอดีอย่างนั้นนะเสร็จมันอีกอ่ามันกล่อมเราจนเสร็จอ่ะไอ้ ก, กิเลสตัวเนี้ยตัวสัจจะนี่คือตัวอธิขันนั่งที่นี่อ่านั่งอนั่งแล้วก็คือหมายความว่าไม่เปลี่ยนแต่ที่แต่สามารถลุกยืนยืนตรงนั้นได้นั่งตรงนั้นได้เปลี่ยนที่บนได้แต่ว่าตราบใดที่พระพุทเจ้า อจิตยังไม่นิ่งจิดยังไม่สงบจะไม่ออกจากที่นี่แต่สามารถจะยืนทําก็ได้นั่งทําก็ได้ยกขายกแข่งแล้วแต่ว่าไม่ออกจากที่เนี่ยมีอธิษฐานจิตแบบนั้นนะแต่ถ้าหาวู้ดที่เจ้าอธิษฐานจิตเข้าไเจ้าจะไม่ไหวไม่นิ่งไม่ติงไม่ไม่ลุกไม่อะไรเลยก็ถือว่าเจ้ก็สุดตรงอีกไม่ได้นะถ้ามีมีการปรับเปลี่ยนแต่ว่าไม่ออกจากที่ตรงนั้นอันนี้เผื่อแป๊บเดียวไปหนปัญหาไม่เจอแล้วเอาเผื่อแป๊บเดียวเอาไปนู่นแล้วอย่างเนี้ อย่างนี้ก็แล้วจิตไม่มีธาตุแท้ไม่เด็ดขาดนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญวิทยาเป็นหน้าที่การงานก็ถือว่านี่บางคนเอ๊ะผมมาปริบันิีผมไม่ได้การได้งานเลยนะผมไม่มีการงานอันนี้คือการงานอย่างสูงสุดนะครับคือความเพียร ถือว่าเราทํางานดีที่สุดแล้วเราเคารพในเวลาถึงเวลาเราทําแล้วก็ทําก็มีแผนในใจว่าจะนั่งเท่าไหร่จะเดินเท่าไหร่จะยืนเท่าไหร่ในช่วงยืนเดินนั่งนอนเมื่อจิตมันเกิดขึ้นอนี้จะแก้อย่างไรเนี่ยมีแพลนอยู่ในใจลักษณะนี้แล้ ว, วมันถึงจะสําเร็จประโยชน์นะท่านบอกว่าวิริยะเป็นหน้าที่การงานนําให้ถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะจากนั้นจิตของเรามันก็จะไม่เลี้ยวกลับมาสู่โลกิยะอีกไปอย่างไม่เลี้ยวกลับ ไปโลกุตตะลอย่างเดียวไปถึงโลกุตตะลแล้วถึงที่แล้วไม่เศร้าโศกนะท่านบอกว่าการ ท, ทําไร่ทํานาทําสวนใครทําได้อย่างเนี้ยได้อมาตะเป็นผลแต่ไม่ไดไห้หมายถึงการทํานาหมายถึงการทําใจนะครับใครพัฒนาความเพนทางจิตได้อย่างเนี้ยก็มีอมาตะคือเป็นมรรคผลเป็นแก่นสารก็จะพ้นจากทุกข์ท่องปวงนะครับเพราะฉะนั้นผี่สมูกลพุทธะกระถาพุทธกษตรจุดนี้ถ้าเป็นไปได้อย่าให้ไปท่องให้จําเลยนะ ผมก็เกือบจําได้แล้วแต่ว่าบางบางส่วนก็ยังต้ น, ต, นต้นเนี่ยจำไม่ได้ตรงกลางมานี่จําได้นะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่อยากจะปลาลบประเด็นสําคัญก็คือหนึ่งต้องมีสัจจะสองต้องคุ้มของกายสามต้รู้ประมาณอาหารสี่ต้องมีความเพียร น, นะทักสี่อย่างเนี่ยผมว่าได้เยอะแล้วนะสีอย่างคุ้มของกายเป็นศีลใช่ไหมครับมิสัจจะเป็นเครื่องแต่งใจเป็นสมาธิ รู้ประมาณในการอาหาราก็เป็นปัญญารู้จั ก, จกปรับให้พอดี <requ> รู้จักประมาณในการหลับการนอนรู้จักประมาณในการพูดรู้จักประมาณในการดื่มการกินการใช้พอดีเป็นลักษณะถ้ารู้จักประมาณหาความพอดีเจอนี่มันก็จะตลอดถึงเรื่องหนักเรื่องเบาเรื่องเข้าเรื่องออกเรื่องอะไรต่างๆมันจะบูรณาการไปหมดเลยคำว่ารู้จักประมาณไม่ใช่ว่าเรื่องอาหารเรื่องเดียวนะครับเรื่องปัจจัยสี่ นะฮะขณะนี้ก็ในวันนี้นะครับหลังจากที่เราทานอาหารเช้ากันเสร็จตามที่ตกลงไว้ว่าเราจะาแบ่งกำลังเป็นสองกลุ่มก็คือจากจะดีที่ด้านหน้านี่ขึ้นไปกลุ่มหนึ่งก็คือกวาดไปเรื่อยๆทำความสะอาดไปอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นไปข้างบนก่อนจากทำความสะอาดขึ้นไปถึงถนนข้างบนผมจะพาทำ จากข้างบนที่ไปทําความศาสตรงนั้นท่านอาจารย์พงศ์อาธรรมนะว่าตรงไหนคนจะใช้เป็นที่เดินตรงไหนเป็นคนเป็นที่นั่งทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูในเจดีย์ด้วยครับแล้วก็อาคารลกล้างที่เขาสร้างไม่เสร็จตรงนั้นก็สามารถปรับเป็นที่นั่งที่ปฏิบัติได้ด้วยถึงด้านบนแต่ถ้าหากว่าทางฝ่ายกว่าทําความสะอา์ทางเสร็จก่อนก็ขึ้นไปเชื่อมข้างบนเรามีเวลาแค่สองสามชั่วโมง เสร็จไมเสร็จก็ตอนเพลดก็กลับลงมากลับลงมาก็าล้างหน้าล้างตารับบาดเราอาจจะออกเอาบาดออกมาไว้ที่นี่เลยเนาะพอจะกลับลงมาโน้อาจจะไปเตรียมบาดเตรียมอะไรช้าล<ะ>กลับลงมาก็ล้างหน้าล้างตาอยู่ทางด้านศาสตรงโน้นมีห้องน้ําอยู่ตรงนั้นก็มาก็าถือบาดไปลับะหารเลยเพราะว่าเรามีเวลาสั้นอันนี้คือใช้วิทยาคือหน้าที่การงานปรับ พื้นที่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับ <c oughs> ช่วงบ่ายก็หลังจากสันเพจเสร็จแล้วก็เข้าสู่ที่ปฏิบัติะแต่ถ้าหากว่าข้างบนมันเรียบร้อยผมก็จะอะขอร้องคนที่เคยปฏิบัติแล้วบางท่านขึ้นไปช่วยทําต่อแต่ถ้ามันเรียบร้อยดีแล้วก็ไม่ต้องกลับไปทําอีกวันต่อไปวันพรุ่งนี้เราก็เริ่มเลยตั้งแต่ตื่นมาตีสามถึงตีสามครึง่งแล้วก็มารวมตัวตรงนี้ทุกคนแล้วเราก็เดินกโชว์กลบขึ้นไป อ่าเรื่อยๆเอาการเดินโยกมืขึ้นเขาเนี่ยแทนการออกกําลังกายอ่ไม่ต้องออกกําลังกายแต่การเดินขึ้นเดินลงถือว่าได้ออกกําลังกายได้เหงื่อนละนะแล้วก็ขึ้นไปถึงที่นู้นเราก็นั่งปฏิบัติตั้งแต่ขึ้นไปถึงจนถึงเวลารับอาหารประมาณเก้าโมงแ ล, แล้วแต่ว่ารถอาหารมาตอนไหนผมก็จะให้สัญญาณแล้วก็เดินโยกกล่มลงมาก่อนที่รถอาหารมาถึง หรืออาหารอาหารเริ่มมาแล้วเผื่อเขาจะจ่ายเรื่องทีแล้วก็เลืนลงมาพอดีก็เอาบาตดตอนขึ้นเขาเนี่ยออกมาจากที่นอนเนี่ราจะเอาบาตดมาแล้วก็เอาบาดไปวางไว้ที่สลาเล็กด้านนูน้นหรือตั้งไว้ตรงนี้พอลงจากนู้นมาแล้วก็รับบาดแล้วเข้ารับอาหาราทีนี้ญาติโยมญาติโ ย, ยมในช่วงเช้าที่พักขึ้นไปพัฒนาตรงนั้นโยมไม่ต้องขึ้นไปเนื่องจากโยมมีเวลาไม่มากก็โยมก็ปฏิบัติ ในที่เดิมนะปฏิบัติข้งที่เดิมนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าในวันต่อไปเนี่ยช่วงเช้าทางแต่พระขึ้นไปตั้งแต่เช้าถึงเพนถึงก่อนเพนโยมก็อาจจะปฏิบัติข้างล่างพระขึ้นไปปฏิบัติข้างบนในช่วงบ่ายหลังจากเพนแล้วพระปฏิบัติข้างล่างโยมอาจจะได้ขึ้นไปปฏิบัติข้างบนสลับกันถ้าก็ตอนเย็นก็ลงมา ลักษณะอย่างเนี้นะในช่วงเช้าที่พระขึ้นไปปฏิบัติข้างบนยมก็สามารถที่ใช้ที่จึงคุม ข, ของพระได้ยมผู้หญิงที่อยู่เนี่ยพอพระขึ้นไปปฏิบัติข้างบนจนถึงเก้าโมงสนะิบโมงเนี่ยที่ก็ว่างข้างล่างยมก็เข้าไปปฏิบัติใช้ที่ของพระได้แล้วก็จะใช้สถานที่ให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ถ้าไปนั่งกระจุกอยู่ที่เดียวจะลบกวนกันคุยกันก็สลับกันว่าการดูแลข้างล่างด้วยให้ได้ประโยชน์เหมือนกันทุกคนนะการใช้สถานที่ก็จะทำให้เราได้ประโยชน์อันนี้ก็พูดถึงเรื่องอพุทธเกษตรเพราะว่าเราจะต้องมีกฎเกณฑ์ที่พุทธเา้าตรัดไว้อย่างไรอามาทบทวนดูว่าสติสัธาเป็นพืชสติเป็นผาน และประตะนะแล้วก็มีหิิเป็นงอนไถใจเป็นเชือกปัญญาเป็นแอกและคันไถนะวิริยะเป็นหน้าที่การงานการรู้ประมาณในการ <c oughs> อาหารอันมีสาจาัจเป็นเครื่องตัดใจช่วยให้สาเร็จประโยชน์ที่ที่เรา <c oughs> ทวนไปไม่กี่นะว่าให้มีศรัทธาเป็นพืชมีความเพียรเป็นฝน มีสติเป็นแอกได้ขันถทยนะมีหิริเป็นงอนไทยใจเป็นเชือกปัญญาเป็นผานและปะตักนะนี่ถ้าหากว่าเราทำลักษณะอย่างนี้แล้วนี่บอกว่าเราจะมีได้ผลคือได้อมาตตาเป็นผลทำให้เราเกิดความ อ, า, อามาเข้าถึงความกเกษมนะคนจากทุกจิตถึงความกเกษมคือความสุขความสงบ ซึ่งเราก็ใช้ความสามารถเต็มที่ห้องเราอะได้เท่าไหก็ก็เท่านั้นแต่ขอให้ได้ใช้ความสามารถใช้ความตั้งใจอย่างเต็มที่นะที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะความสามารถที่เรามีอยู่ทั้งหมดเราก็พยายามที่จะไม่ต่อรองกับตนเองมากเกินไปนะบางอย่างที่เราฝืนได้ก็ฟืนนะครับก็มีสัจจะเป็นเครื่องตัดใจ อนไรที่เราตั้งเอาไว้ว่าเราจะทําอะไรอย่างไรอันนี้ก็เป็นช่วงระยะสั้นไปเวลาเราขึ้นไปนักข้างบนมันจะมีสองที่คือที่ในเจดีย์ก็นั่งปฏิบัติได้ข้างนอกก็นั่งปฏิบัติได้นะก็ดูก่อนว่าเราจะใช้สถานที่ให้เหมาะสมแก่ อ, อัตภาพหรือแกอิสีของเราอย่างไรก็จะพิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะ ท่านี้เพื่อให้เวลาที่เราผ่านไปแต่และช่วงแต่และช่วงได้ประโยชน์เต็มที่นะในช่วงแรกเราปรับพื้นที่ปรับอาหารปรับสุขภาพปรับอะไรต่างๆเข้าที่ได้สี่วันนี่เพียงพอก็ได้อารมณ์บ้างเป็นพื้นฐานนะแต่ในช่วงที่สองตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ยี่สิบเนี่ยเราก็ยกระดับความเพียรให้สูงขึ้นนะโดยการปรับเปลี่ยนถ้าจะนั่งถ้าจะแช่อ ย, อยู่นา น, าน กับที่เนี่ยพอมันหมดอารมณ์แล้วจิตมันก็ไม่สู้ละแล้วก็ปรับเป็นสองพืนที่จากช่วงเช้าถึงเพลนจากเพลนถึงเย็นอย่างอย่างน้อยก็เมื่อได้การปรับอินซีย์อย่างนี้ก็คิดว่าน่าจะแก้ไขนิวรได้นิวรก็น่าจะล่มละหมายถึงว่าเรื่องง่วงเงาฟุ้งซ่านเบือ่อขี้เกียจลังเลสงสัยพวกนี้มันก็น่าจะล่ดละน่าจะอ่อนตัวลงละ ในการที่เราจะตั้งตั้งใจทําอย่างน้อยเรารู้จักวิธีแก่และตอนนี้ว่าเออง่วงมาเพราะอะไรเบื่อมาเพราะอะไรฟุ้งซ่านมาเพราะอะไรหงุดหงิดมาเพราะอะไรลังเลมาเพราะอะไรเริ่มรู้ทางของนิวรณ์ละทีนี้พอเราเข้าปฏิบัติในช่วงที่สองแล้วรู้รทางมันก็แก้ทางเป็นพอแก้ทางเปน็นก็แก้ปัญหาได้ง่ายๆครับเพราะฉะนั้นก็ในช่วงที่เราตั้งใจ โดยเฉพาะในช่วงการทำงานก็ไม่ใช่ว่าจะทำกัน อ, อึกกระรึกนะครับทำไปเจริญสติไปก็จะมีเวทนาให้เราเห็นนะ่ในช่วงที่เราทำงานเหงื่อไหลใครย้อยหรือทำอหลายคนคนนั้นทำคนนี้ไม่ทำคนนี้ทำน้อ ย, คน น, นอยคนนี้ทำมากมันก็จะมีความคิดอันนี้ออกมาให้เราเห็นเรื่อยๆอะฉะนั้นก็สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมก็อสองอย่างผู้ที่ขึ้นไปพัฒนาข้างบนก็จะมีมีดมีจอบ มาที่การพัฒนาข้างล่างก็จะมีไม่กวาดเป็นหลักนะครับนั้นเดี๋ยวพ อ, อาท่านอาหารเสร็จผมก็จะบอกให้คนงานแล้วก็พวกเราบางคนที่ไม่กวาดอยู่ที่ต่างๆออกมาให้หมดนะครับไม่กวาดอยู่ตามทางจงกรมขอออกมา ก, ก่อนนะใครใครที่เห็นว่าไม่กวาดอยู่ในที่จงกรมของตัวเองก็หลังจากฉันเสร็จก็นําออกมาตลอดถึงจอบเสียมมีดผ้หาหลาเหลาต่างๆที่เราเอาไปใช้ แล้วก็นำบอกมาเพื่อจะนำไปใช้ในงานนี้สำหรับปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ช้ข้างบนไม่ทราบว่าาวันนี้เราจะทำได้ไหมคือเรื่องน้ำน่ะวัตามผพุทธิเขาสูงขึ้นไปได้แต่ถ้าหากว่ามันไม่ทันจริงๆก็ใช้วิธีใส่ถังแล้วก็ใส่รถขึ้นไป